ปี2534ผมคิดว่าตนเองอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงคิดอยากมีลูกเพื่อจะให้ลูกอยู่เป็นเพื่อนภรรยาหลังจากที่ผมได้ตายจากไปและจากการที่ได้รู้ถึงอนิสงของศีลห้าซึ่งมีคุณมากมายมหาศาลมาแล้วจึงได้ตกลงกับภรรยาว่าเราจะมีลูกกันสักคนหนึ่งแต่เราทั้งคู่ จะต้องรับศีลห้าก่อนแล้วจึงจะมีลูกแต่ได้อธิบายคุณของศีลห้าให้ภรรยาฟังว่าหากพ่อและแม่เป็นผู้ที่มีศีลห้าจะได้ลูกที่จะมาเกิดนั้นมาจากภพภูมิที่ดีเพราะรู้มาว่าหากพ่อแม่เป็นผู้มีศีลดีผู้ที่จะมาเกิดต้องเป็นผู้ที่มีศีลดีด้วยแล่ก็อาจจะเป็นผู้มีบุญพอสมควรด้วยจึงจะมาเกิดได้ เราทั้งสองได้ร่วมกันสมาทานศีลห้าพร้อมกันแต่ในใจตอนนั้นก็หวังว่าอาจจะได้ลูกที่มาเกิดคนนี้มาช่วยผมปฏิบัติธรรมต่อไปในอนาคตก็เป็นไปได้ในตอนนั้นผมมีความหวังเช่นนั้นปี2535ได้ลูกคนแรกและได้เกิดความรู้สึกถึงความรัก และผูกพันที่มีต่อลูกชักเกิดไม่อยากจะตายเร็วๆซะแล้วอยากอยู่กับลูกนานๆได้เกิดความทุกข์เสมอเวลาคิดถึงว่าจะต้องตายภายในไม่ช้านี้จะต้องจากคนที่เรารักมากๆและคิดว่าจะต้องเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเสียทีเพราะก็รู้ไม่อีกว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะมีสุขภาพดี หายจากโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายช้าหน่อยในตอนกลางวันก็ได้พยายามระวังรักษาศีนห้าไม่ให้ขาดและจากการระวังไม่ให้สีนขาดนั้นตัวเองก็ได้มารู้ตอนหลังว่าได้เริ่มตั้งต้นฝึกการปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้ตัวรู้สึกในใจว่ามั่นใจขึ้นมากและคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมแล้ว ในช่วงเวลากลางคืนขณะนั่งป้อนนมลูกตอนขวบปีแรกขณะที่ภรรยาไปบินผมได้หัดนั่งสมาธิตามหนังสือที่ได้อ่านมาในช่วงแรกๆได้เลือกแนวทางกำหนดพุดโทโธตามสายพระอาจารย์วัดป่าสายหลวงปู่มั่นได้อ่านจากหนังสือที่หาซื้อมามีพระอาจารย์ในหนังสือสอนตอนแรกหัดนั่งสมาธิ ก็ได้ความสงบดีแต่ส่วนใหญ่นั่งหลับส ป, ปงบและพอรู้สึกตัวก็หลับไปแล้วหนึ่งตื่นบางครั้งก็ฟุ้งคิดไปในเรื่องทางโลกต่างๆนานาเพราะทำงานมาทั้งวันก็เพลียแต่ด้วยความกลัวนรกจึงได้อดทนพยายามตั้งใจทำให้บ่อยๆทุกวันเท่าที่โอกาสอำนวยและในช่วงแรกของการปฏิบัติธรรม ผมยังไม่รู้จักการเจริญมิปัสสนาเพียงแต่เจริญสมถกรรมฐานคือนั่งสมาธิให้จิตสงบได้ก่อนเท่านั้นในที่สุดก็เริ่มดีขึ้นนั่งสมาธิก่อนนอนวันละ 15-20 านาทีทุกคืนมีสติรู้ตัวดีขึ้นหลุดบ้างแต่น้อยลงและเมื่อสงบดีก็นึกว่าปฏิบัติแค่นั้นพอก็ยังไม่รู้จริง นี่แหละที่ปฏิบัติโดยไม่มีพระอาจารย์หรือขาดกัลยาณมิตรปีพศ2536เพื่อนชื่อป้อมก็ได้มาทวงสัญญาหลังจากให้โอกาสพักรักษาตัวจนหายดีแล้วตอนนั้นลูกคนโตอายุได้เกือบขวบครึ่งป้อมก็ชวนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่บ้านของผมเอง พระอาจารย์งองค์แรกของผมก็คือพระอาจารย์ภูมิสิริส่วนภรรยาและเพื่อนๆ เ, เป็นผู้ให้บริการเรื่องสถานที่และอาหารในช่วงเวลาเจ็ดวันที่ได้ร่วมปฏิบัตินั้นได้ทำให้มีศรัทธาและมีแนวทางในการเจริญสติได้ดีมากสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เสมอหลังจากนั้นแล้วก็พยายามและตั้งใจปฏิบัติมาโดยตลอด ตามที่ได้เรียนมาอย่างต่อเนื่องในตอนนั้นได้ตั้งใจเอาไว้เมื่อลูกโตขึ้นก็จะนำลูกเข้าปฏิบัติธรรมด้วยหลังจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนั้นแล้วรู้สึกว่ามีศรัทธาเพิ่มขึ้นมากและตั้งใจรับศีลห้าทุกวันมิได้ขาดคือ ทำตอนหลังจากตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็จะสวดนโมสามจบไตรสรณคมสามจบแล้วก็รับศีลห้าหน้ากระจกที่แต่งตัวนั้นเลยในช่วงเวลาขับรถไปทำงานและกลับบ้านก็ได้เปิดฟังรายการธรรมะตามวิทยุ A.M. ส่วนในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีความสุขนั่งฟังพระท่านเทศธรรมะทางวิทยุอยู่คนเดียว ตอนที่ภรรยาไปบินในช่วงวันหยุดก็ได้ฟังเทป พ, พระเทศบ้างอ่านหนังสือธรรมะที่ได้รับแจกตามงานศพบ้างขอยืมเข้ามาอ่านบ้างแต่ในช่วงหลังๆได้เริ่มไปเดินเลือกหนังสือและซื้อมาอ่านเองที่ร้านเลื้ยงปัญญาแถวท่าพระจันทร์เพราะผมเคยป้นเปี้ยนอยู่แถวนั้นมาหลายปีตอนที่ได้เรียนที่ธรรมศาสตร์พอนึกจําได้ว่า ถ้าจะอ่านหนังสือธรรมะก็ต้องไปหาซื้อได้ที่นั่นและศึกษาด้วยตนเองแบบนี้มา 2-3 ปีในใจตั้งใจไว้ว่าอยากปฏิบัติธรรมตามพระอาจารย์เหล่านั้นบ้างแต่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอและตอนนั้นก็ไม่สามารถเดินทางไปวัดหรือสำนักสงฆ์ต่างๆได้บ่อยๆและไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายวันได้ จึงได้พยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยตนเองที่บ้านโดยได้ฟังธรรมะจากวิทยุหนังสือของพระอาจารย์สายวัดป่าต่างๆสายหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นได้ลหลังจากพอมีแนวทางบ้างแล้วจึงได้ทาบ้านให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมสำหรับตัวเองและลูกที่ตั้งใจอยากจะสอนให้เขาด้วยตัวเองที่บ้านเพื่อที่พวกเรา จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกวันไม่ต้องรอคอยเพื่อที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมกับคณะต่างๆซึ่งส่วนมากทุกๆสํานักปฏิบัติมักจะจํากัดจํานวนผู้ไปปฏิบัติบ้างจํากัดอายุของเด็กๆบ้างในตอนนั้นผมมีลูกเล็กๆที่ต้องคอยดูแลในพวกเขาก็ยังมีอายุต่ํากว่าที่ทางสํานักจะรับ จึงมักเป็นอุปสรรคในการไปปฏิบัติธรรมในสำนักต่างๆหรือแม้แต่ไปที่วัดก็ตามการเตรียมความพร้อมของลูกในการปฏิบัติธรรมนั้นในตอนแรกเริ่มสอนเรื่องทานสอนให้ลูกเห็นการทำบุญด้วยวิธีการใส่บาตรได้อุ้มลูกพาไปใส่บาตรทุกวันหยุดทุกเช้า ว, วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการและได้ทำอย่างนี้มาจนกระทั่งเขาเริ่มโตขึ้นพอที่จะใส่ปาดด้วยตัวเองได้ในช่วงที่ลูกคนโตอายุได้ประมาณสองถึงสามขวบภรรยาได้ท้องลูกคนเล็กในช่วงตอนกลางคืนก่อนนอนผมมักจะนอนอ่านหนังสือเล่านิทานทั้งไทยทั้งฝรั่ง ที่มีภาพประกอบให้ลูกๆได้ดูภาพไปด้วยเมื่อเขาโตขึ้นเกือบสีขวบคนเล็กขวบกว่าลูกๆเริ่มจะนอนดึกตามพ่อและแม่จึงต้องหาวิธีให้ลูกนอนแต่หัวคำ่ำและตรงเวลาคือก่อนสองทุ่มครึ่งผมจึงได้ใช้วิธีปิดไฟเล่านิทานเพราะจะทำให้ลูกๆหลับง่ายกว่าเปิดไฟเล่า และตอนนี้เองที่ผมเริ่มคิดที่จะแต่งนิทานขึ้นเองเพราะถ้าปิดไฟก็จะอ่านหนังสือไม่ได้จึงคิดเอาสีห้าแต่ละข้อมาแต่งเล่าด้านกันสดๆเป็นนิทานเลยเริ่มชำนาญแล้วและยังจะเป็นการพาะปลูกนิสยัยและอัธยาศัยในขั้นต่อไปคือให้ลูกมีสีห้าและ ยังทำให้ลูกเป็นคนที่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปปีพศ2539เมื่อลูกคนโตมีอายุประมาณ5ขวบลูกคนเล็กก็ประมาณ2ขวบพวกเราก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่เป็นหมู่บ้านจัดสรรแถวบางบัวทองซึ่งเป็นที่เหมาะแก่ ก, การปฏิบัติธรรมมากเพราะมีความเงียบสงบเหมือนอยู่บ้านนอก ตอนเช้าๆจะมีพระมาเดินรับบิณฑบาต ท, ทุกวันทำให้พวกเราได้มีโอกาสใส่บาต ท, ทุกวันที่หน้าหมู่บ้านแม่ครัวจะเป็นผู้เตรียมให้ยกเว้นในวันพระซึ่งพระท่านจะมีกิจที่วัดในตอนนั้นการเล่านิทานให้ลูกๆฟังก็ได้พัฒนาขึ้นม า, มากโดยใช้เรื่องที่อ่านมาจากพระไตรปิฎกฉบับประชาชนบ้าง จำมาจากการฟังรายการธรรมะที่พระท่านได้เทศทางวิทยุในแต่ละวันบ้างส่วนตัวผมก็ได้นั่งสมาธิหลังจากลูกๆหลับแล้วปีพศ2542ลูกคนโตเจ็ขวบคนเล็กสี่ขวบผมได้ทำข้อตกลงกับลูกๆใหม่ว่าต่อไปนี้ ถ้าอยากฟังเรื่องนิทานก่อนนอนคือตอนนั้นลูกๆเริ่มติดนิทานธรรมะแล้วจึงต้องขอฟังก่อนนอนทุกคืนลูกๆจะต้องรับศีลห้าและต้องใส่บาททุกๆเช้าก่อนไปโรงเรียนพ่อจะนิมนต์พระมาที่หน้าบ้านเราสองรูปแม้ในวันเสาร์และ ว, วันอาทิตย์ก็จะห้ามเว้นจะต้องตื่นมาใส่บาทก่อนแล้วอยากจะนอนต่อพ่อก็ไม่ว่า แต่ที่สำคัญคือลูกกจะต้องสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันพร้อมกับพ่อด้วยแล้วพ่อจึงจะเล่านิทานให้ฟังตกลงไหมและพวกเขาก็ได้ตกลงตามนั้นการที่ผมตั้งใจที่จะสร้างศรัทธาโดยการเล่าเรื่องนรกสวรรค์และชาดกในพระไตรปิฎกให้ลูกฟังรวมทั้ง ได้ปลูกพื้นฐานให้พวกเขามีศีลหา้าแล้วเรื่องทานก็ให้ทำบุญใส่บาตรในตอนเช้านั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมต่อไปเหมือนเป็นการเริ่มตอกเสาเข็มให้แข็งแรงแน่นหนาก่อนที่จะลงมือสร้างตึกสูงเพื่อจะได้ตึกที่สูงและมั่นคงแข็งแรงอยู่ได้นานไม่พังลงมาก่อนเวลาอันควร เพราะมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในปีพศ2542นั่นเองผมได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธของบริษัทการบินไทยเพื่อที่จะได้รับหนังสือธรรมะที่ชมรมจะแจกให้ฟรีสำหรับสมาชิกส่วนมากจะเป็นหนังสือของหลวงพ่อพุทธฐานิโยซึ่งท่านก็เป็นสิทธิของหลวงปู่มั่นด้วย ในตอนนั้นหลังจากที่ได้อ่านแนวทางการปฏิบัติของท่านแล้วก็ได้ทดลองนำมาปฏิบัติตามดูมีความรู้สึกว่าแนวทางปฏิบัติของท่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ง่ายด้วยถูกตรงกับจริตอัธยาสัยของผมมากกว่าแบบเดิมจึงได้เปลี่ยนมาปฏิบัติตามแนวทางของท่านอย่างจริงจังหลังจากปฏิบัติได้ประมาณสเดือน ในช่วงหลังวันสงกรานต์ตอนประมาณสีทุ่มกว่าๆของคืนวันหนึ่งกลางเดือนเมษายนก็ได้รับผลของการปฏิบัติที่ออกมาดีมากใกล้เคียงตามที่หนังสือของหลวงพ่อพุธท่านได้เขียนไว้ในหนังสือจึงพอทำให้ผมมั่นใจและรู้ว่าปฏิบัติมาได้ถูกทางแล้วแต่ก็เกือบเจ็ดปีสำหรับคนที่ทาบ้างไม่ทาบ้างอย่างผม ในคืนนั้นหลังจากได้รับผลของการปฏิบัติที่ดีมากทําให้ไม่รู้สึกง่วงนอนอีกเลยหลังจากการนั่งสมาธิแล้วนอนก็ไม่หลับไม่รู้จะพูดคุยปรึกษาเรื่องนี้กับใครได้และก็คงไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นแน่ในตอนนั้นก็มีแต่พระอาจารย์ในรูปของหนังสือจึงโดยลงมาชั้นล่าง ไปนั่งริมทะเลสาบมองพระจันทร์อยู่คนเดียวจนเกือบตีสองและคิดว่าสิ่งที่เราได้รับสัมผัสมาครั้งนี้จะต้องนำไปให้ลูกๆที่เรารักให้พวกเขาได้รับสัมผัสความรู้สึกที่ได้เกิดขึ้นกับเราเช่นนี้ให้จงได้โดยจะเอาแนวทางที่ตนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของหลวงพ่อพุธนั้นเป็นแบบ จะต้องสอนให้ลูกๆได้รู้ได้เห็นตามที่เราได้พบเห็นนี้ให้จงได้หากเรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นความคิดถึงภาระความผูกพันกับลูกๆยิ่งทวีความรู้สึกรุนแรงมากกว่าเดิมมากมันได้รับเข้ามาในหัวมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เดินทางไปพบเมืองที่มีแต่ความสุขสมบูรณ์มาก แต่ไม่อยากไปอยู่ที่นั่นเพียงคนเดียวใจมันอยากจะวิ่งกลับแปรรับพวกเขาไปอยู่ที่นั่นด้วยกันคืนนั้นจึงได้นั่งคิดตัดสินใจเรื่องอนาคตของลูกๆว่าการเรียนความก้าวหน้าความมั่นคงในชีวิตความร่ำรวยของลูกๆจะต้องมาทีหลังต้องเป็นรองจากสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกๆได้รับถ่ายทอดจากเรา ลูกจะเรียนไม่จบหรือจบมาแล้วไม่มีงานทำหรือถึงแม้จะต้องยากจนกินข้ า, าวเปล่ากับไข่ต้มจิ้มน้าําปลาหรือถึงขนาดที่จะต้องทำงานแลกข้าววัดกินเราก็จะยอมแต่จะต้องทำทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะทำให้พวกเขาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี้ให้จงได้ในชีวิตนี้ ที่ได้เกิดมาเป็นลูกๆของพ่อนับแต่วันนั้นมาผมได้ตั้งใจที่จะใช้แนวทางของลุงพ่อพุทธมาใช้สอนลูกๆทั้งสองคนเพียงแต่รอวันที่จะให้ลูกคนเล็กอายุได้เจ็ดขวบบริบณ์ก่อนเพราะได้ทราบมาว่านางวิสาขาอุบาสิกาได้บรรลุธรรมตอนท่านอายุได้เจ็ดขวบซึ่งตอนนั้น ลูกคนเล็กอายุได้ประมาณสี่ขวบคนโตเจ็วขวบในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่สามปีนี้ผมเองก็ได้เร่งอ่านธรรมะของพระพุทธองค์ฟังธรรมจากประเทศในวิทยุทุกคืนและได้พยายามปฏิบัติธรรมทุกคืนเพื่อจะได้เป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับลูกๆยอมรับว่าในตอนนั้นไม่รู้จักพระอาจารย์ที่ไหนเลย นอกจากพระใจในหนังสือจึงได้อ่านแต่หนังสือที่ท่านได้เขียนไว้และได้แต่เรียนแบบแนวทางปฏิบัติของท่านเท่านั้นการที่ต้องอ่านและฟังให้มากก็เพราะว่าลูกๆมักจะชอบถามปัญหาต่างๆสงสัยในสิ่งใดพวกเขาก็จะถามทันทีและถ้าหากผมไม่อาจแก้ข้อสงสัยหรือตอบปัญหาเมื่อพวกเขาติดขัด ในเรื่องที่อยากรู้ในธรรมข้อนั้นๆหรือแม้แต่วิธีการปฏิบัติธรรมตามที่เราสอนเขาแล้วความเชื่อมั่นที่มีต่อตัวพ่อผู้สอนและศรัทธาที่มีต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์อาจจะล้มคลืนลงมาจนไม่สามารถจะประกอบกับคืนเข้าที่ได้อีกในชาตินี้ก็ได้พวกเขาอาจจะไม่ยอมปฏิบัติตามที่เราจะสอนอีกต่อไป หรือสักแต่ว่าทําไปอย่างนั้นไม่อยากขัดใจพ่อในตอนนั้นยอมรับว่ารักและห่วงลูกๆมากไม่อยากให้ลูกตนกนรกอีกในชาติต่อๆไปอยากให้พวกเขาปิดประตูอบายกันให้ได้ในชาตินี้เลยจึงได้เริ่มต้นชักชวนลูกๆให้ปฏิบัติธรรมโดยได้เล่าเรื่อง และผลของการปฏิบัติที่จะทําให้พวกเขาไม่ต้องตกนรกให้ฟังทุกวันทําให้พวกเขาอยากจะปฏิบัติธรรมเร็วๆจะได้ไม่ต้องตกนรกและเอาสวรรค์มาล่อชวนให้ขึ้นสวรรค์ถ้าเป็นคนดีและปฏิบัติธรรมประมาณเดือนธันวาคมพศ2544 ลูกสาวคนเล็กอายุได้ประมาณ6ขวบส0เดือนและลูกสาวคนโตประมาณเกือบ9้าขวบพวกเราก็ได้สวดมนเย็นตามปกติหลังจากนั้นก็ได้เลือกพระสูตรเรื่องนางปตาจารามาเล่าให้ลูกๆฟังเนื้อความในพระสูตรกล่าวถึงว่านางต้องพ ล, ดพลดพัดพรากจากก้อนเป็นที่รักซึ่งทุกๆคนที่นางรัก ต้องตายจากนางไปในวันเดียวกันถึงหกคนคือสามีลูกของนางทั้งสองคนพ่อแม่พี่ชายที่ทำให้นางถึงกับเสียสติเหมือนคนบ้าจนกระทั่งได้มาพบกับพระพุทธองค์ได้ทรงเตือนสติให้นางรู้สึกตัวและได้สั่งสอนให้นางพิจรารณาเรื่องความตายและความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก นางจึงได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ในเวลาต่อมาขณะที่นางรดน้ําล้างเท้าสามขันน้ําซึมไปในทรายสามครั้งไก่เท้านางออกไปเรื่อยๆไม่เท่ากันนางน้อมใจพิจารณาเวลาความตายของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องตายจึงต้องพบกับความพลัดพร้าเป็นธรรมดาทุกๆพระสูตรที่เล่าให้ลูกๆฟัง ผมก็จะคอยดูอารมณ์ตอบสนองทางสีหน้าของลูกเสมอเพราะการหาอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้มาให้ลูกๆได้พิจารณาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันเป็นเหมือนการหายายให้ลูกกินถูกตามโรคหรือกิเลสที่เป็นอยู่เพื่อหายจากการเจ็บป่วยของเขาไม่ต้องไปทดลองกินยาผิดเรื่อยๆไป ในคืนนั้นขณะที่เล่าเรื่องนี้ก็ได้สังเกตเห็นอารมณ์พวกเด็กๆว่าพวกเขามีความรู้สึกสลดมากจึงได้พูดคุยเสริมต่ออารมณ์ร่วมในพระสูตรนั้นต่อไปเลยและได้ทำความตกลงกับพวกเขาทั้งสองคนแบบจับเขาคุยกันในฐานะที่เสมือนกับพวกเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งโดยใจความที่ตกลงกันก็คือ พวกเราก็เหมือนกันชาตินี้พวกเราก็ได้มาร่วมเกิดเป็นพ่อลูกกันเราก็รู้ว่าวันหนึ่งเราคนใดคนหนึ่งก็จะต้องตายจากกันไปก่อนอย่างแน่นอนแต่การที่ได้เกิดร่วมกันในชาตินี้แม้ว่าพวกเรารักกันมากแล้วก็มีความสุขมากที่ได้อยู่ร่วมกันพ่อเองดีใจและมีความสุขมากที่ได้มาเกิดร่วมกับลูกๆ พ่อก็เป็นห่วงลูกมากเหมือนนางปตายาราต้องจากผู้ที่นางรักมากลูกๆเห็นไม่ว่าไม่ว่าจะรักจะห่วงและไม่อยากตายจากกันแต่ก็ไม่มีทางหนีพ้นพ่อก็ไม่รู้ว่าลูกๆพ่อแม่พี่น้องและสามีของนางจะไปเกิดที่ใดจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ เพราะนายประธรรมไม่ได้กล่าวไว้แต่พวกเราเองยังพอมีเวลาเตรียมตัวได้ทันนะในตอนนี้พวกเราก็ยังไม่มีคติที่แน่นอนคืออาจจะไปเกิดในอบายภูมิได้ยังตกนรกได้พวกเราควรจะกรุณาลกให้มากๆอย่าทำบาปรักษาศีลห้าให้ดีและควรจะเบื่อการที่จะต้องเกิดมาพบกันมารักกัน ในที่สุดก็ต้องมาตายและต้องพลัดพรากจากกันอย่างนี้ในทุกพบทุกชาติที่ได้เกิดเสียทีได้แล้วขนาดในชาติที่เป็นมนุษย์นี้นับว่าเป็นช่วงเวลาอันแสนสั้นในชาตินี้พวกเรายังไม่อยากจะตายจากกันเลยแต่หากจะเปรียบเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงคือมีอายุ36ล้านปีมนุษย์ตามที่พ่อเคยได้เล่าให้ฟังลูกๆ ล, ลองคิดดูซิว่า ถ้าหาเราได้ไปเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงร่วมกันนานๆพวกเราคงรักกันมากกว่านี้อย่างแน่นอนและเมื่อต้องตายจากกันจะมีทำให้พวกเราต้องทุกข์มากกว่านี้หรือเพราะการยิ่งได้อยู่ด้วยกันนานๆเวลาจากกันก็คงจะทำให้ทุกข์มากกว่าตอนจากกันตอนเป็นมนุษย์เสียอีกจริงไหมลูกรู้อย่างนี้ยังจะอยากไปเกิดในสวรรค์ร่วมกันอีกไหม พ่อขอให้สัญญาว่าพยายามทําทุกวิธีที่จะช่วยลูกๆไม่ให้ต้องตกนรกอีกให้ได้ในชาตินี้ที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อขอให้พวกเรามาจับมือกันและขอให้ตั้งจิตร่วมกันอย่างแน่วแน่ว่าพวกเราจะรีบปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ่อจะไปอ่านค้นคว้าพระธรรมที่ถูกต้องมาสอนลูกๆซึ่งจะทำให้พวกเราไม่ไปสู่การเกิดในโนรกอีกดีไหมลูกดีค่ะพ่อลูกทั้งสองได้ตอบผมด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและดูมั่นใจมากพ่อต้องสอนเมสอนมินด้วยนะเด็กๆพูดด้วยน้ำเสียงที่ออกจะฟังดูเหมือนอ้อนแต่ตั้งใจตกลงจ้ะ พ่อจะรอให้มินอายุครบเจ็ดขวบปีหน้าแล้วพ่อจะเริ่มสอนพร้อมกันทั้งสองคนเลยนะทำไมไม่สอนเมตอนเจ็ดขวบบ้างลูกคนโตถามพ่ออยากสอนพร้อมๆกันพวกเราจะได้เป็นทีมปฏิบัติทราไงละ่ะรอน้องด้วยสิพวกเราต้องช่วยกันนะปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวตบมือกับพ่อทั้งสองมือแบบฝรั่ง ตั้งหน้าตั้งตรารอคอยวันที่ลูกคนเล็กอายุครบเจ็ดขวบ